บทที่2การส่งกระแสจิตคำว่าการส่งกระแสจิตข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นคำเหมาะสมสำหรับจะแปลคำในภาษาอังกฤษว่า t r a n s f e r e ข้าพเจ้าเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือหลายแห่งของข้าพเจ้าแต่ไม่เคยเขียนอย่างละเอียดพิสดารที่ตนเองไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องนี้แต่ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยประสบความสําเร็จข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า การส่งกระแสจิตนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะทําได้ไม่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสิ่งที่สะกิดใจให้ข้าพเจ้าหยิบยกเอาเรื่องส่งกระแสทางจิตหรือทอสทันเฟรนต์มาเขียนอีกครั้งหนึ่งนี้นอกจากเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในลักษณะความมหัศจรรย์ทางจิตแล้วยังมากลับกลายเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นค้นคว้าใหญ่หลวงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเวลานี้ในสมัยใหม่ที่สุดสมัยระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจน หนังสือต่างๆที่คิดเขียนกันขึ้นใหม่ๆในอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องการส่งกระแสจิตนี้มีขึ้นอีกมากเล่มข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดความรื้อฟื้นค้นคว้าเรื่องนี้ขึ้นใหม่จะเป็นด้วยมนุษย์เบื่อหน่ายในเรื่องสงครามและหันเข้ามาหาทางอื่นที่เกี่ยวกับจิตใจหรือว่าจะเกิดการทดลองเห็นอะไรขึ้นบ้างก็ไม่ทราบนักค้นคว้าวิชาลึกลับย่อมทราบว่าการส่งกระแสจิตตอสทันฟเฟรน นั้นไม่ใช่ของใหม่สำหรับอินเดียชาวอินเดียมีความรู้เรื่องนี้มาแต่โบราณหลายพันปีแม้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีคือเจโตปริยญาณในหนังสือวิชาแปดประการที่ข้าพเจ้าเขียนเมื่อ24ปีมาแล้วได้เขียนไว้เล็กน้อยตามหนังสือซึ่งอ้างว่าเป็นลัทธิของโยคีบอกวิธีฝึกหัดเรื่องส่งกระแสจิตไว้ดังต่อไปนี้ ในขั้นแรกต้องมีเพื่อนฝึกหัดด้วยกันสองคนซึ่งเป็นผู้มีความเชื่อในวิชานี้ด้วยกันและปรารถนาอย่างยิ่งด้วยกันที่จะบรรลุวิชานี้ให้คนหนึ่งเป็นคนหัดส่งและอีกคนหนึ่งเป็นคนหัดรับผาดเปลี่ยนกันไปคนที่หัดรับต้องเอาผ้าผูกตาและในขั้นต้นให้ตกลงกันว่าคนส่งจะต้องตั้งใจให้คนรับเขียนตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในระหว่าง1ถึงจะเป็นเลขอะไรก็สุดแต่จะนึก คนส่งต้องเอามือกุมหน้าผากคนรับคนรับถือดินสอในมือคอยจดตัวเลขลงบนกระดาษส่วนคนส่งก็ต้องมีกระดาษดินสออยู่ด้วยเหมือนกันและเมื่อต้องการให้คนรับเขียนตัวเลขตัวใดตนเองต้องเขียนลงก่อนในกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วนึกถึงตัวเลขตัวนั้นตัวเดียวด้วยหัวใจออนเป็นสมาธิอย่างแรงส่วนคนรับก็มีให้นึกถึงอย่างอื่นนอกจากตัวเลขตั้งแต่หนึ่ถึงห้าแล้วเขียนตัวเลขที่ตนเข้าใจว่า คนส่งต้องการส่งนั้นลงบนแผ่นกระดาษของตนในครั้งแรกให้ทำดังนี้ยี่สบผลคือเขียนเลขลงไปให้ได้20สิบตัวแล้วเปิดตาคนรับออกเอากระดาษทั้งสองแผ่นมาเทียบกันว่ามีผิดกี่ตัวถูกกี่ตัววันรุ่งขึ้นก็ทำเช่นนั้นอีกและหมายเหตุจำนวนเลขผิดถูกเข้าไว้ทำดังนี้อีกหลายวันตามตำรากล่าวว่าถ้าคนทั้งสองมีสมาธิมั่นแท้จริงแล้วตัวเลขจะผิดน้อยลงไปทุกวัน ต้องทำเรื่อยไปจนกว่าตัวเลขจะถูกหมดทุกตัวหรือมีผิดน้อยที่สุดแล้วจึงขยายจำนวนเลขให้มากขึ้นเป็น 1-10 1 5ถึง0 0ถึงถึงตลอดขึ้นไปจนถึงจำนวน 1,000 นี้เป็นขั้นที่หนึ่งแต่ในขั้นที่หนึ่งนี้เองอาจกินเวลาหลายเดือนได้ขั้นที่สองวิธีหัดเป็นทำนองเดียวกันแต่ให้ใช้นังสือแทนตัวเลขชั้นแรกให้ตกลงกันทำทีละน้อยและเพิ่มให้มากขึ้นทุกที จนหมดสระและพยัญชนะแล้วผสมกันเข้าเป็นคําได้เมื่อทําได้ทั้งสองขั้นแล้วให้เลิกการเอามือกุมหน้าปากเป็นแต่เอามือซ้ายต่อมือซ้ายจับกันเข้าไว้แล้วทําเหมือนอย่างที่ได้กล่าวไว้ในสองข้อข้างต้นนี้เป็นขั้นที่สามขั้นที่สี่ไม่จําเป็นต้องให้อวัยวะในร่างกายติดต่อกันแท้เพียงแต่ให้ติดต่อกันด้วยวัตถุอันใดอันหนึ่งเช่นผ้าหรือเส้นได้แล้วหัดตามวิธีที่อธิบายไว้ในขั้นที่หนึ่งและที่สอง ตามที่ตีกล่าวมาแล้วนั้นเป็นวิธีทำอย่างโทรศัพท์หรือโทรเลขที่มีสายแต่เมื่อความรู้สึกดีขึ้นทุกทีโดยมีความพยายามฝึกฝนหัดทําเป็นขั้นๆไปแล้วต่อไปนี้ก็ใช้วิธีอย่างโทรศัพท์ไม่มีสายกล่าวคือร่างกายไม่ได้ติดต่อกันเลยดังจะกล่าวต่อไปนี้ ขั้นที่ห้าอยู่ในห้องเดียวกันโดยไม่ต้องมีการผูกตาเหมือนแต่ก่อนให้คนส่งนึกถึงคำคำหนึ่งให้คนรับเขียนเมื่อเห็นว่าเขียนได้ถูกต้องมากที่สุดแล้วก็ให้ออกห่างจากกันทีละน้อยเช่นคนละห้องคนละบ้านและห่างกันออกไปทุกทีข้าพเจ้าเขียนไว้เพียงเท่านี้และก็เป็นการเขียนตามตำราซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยทดลองมาในชั้นหลังนี้ เมื่อการค้นคว้าทางส่งกระแสจิตได้มีมากขึ้นหนังสือตำราต่างๆก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันมีหนังสือชุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคําสอนของศาสตราจารย์เอ็ดมันเซฟเทสบิวีซึ่งมีชื่อเสียงทางค้นคว้าจิตวิทยามาเป็นเวลากว่า40ปีหนังสือตำราของศาสตราจารย์ผู้นี้สมาคมค้นคว้าหาความรู้ทางจิตวิทยาทั้งในอังกฤษและอเมริกาลงมติว่าเป็นตำราที่มีเหตุผลดีที่สุด ไม่ใช่ว่าดีที่สุดหรือทำให้บรรลุความสำเร็จที่สุดเพียงแต่ว่ามีเหตุผลที่สุดเท่านั้นเพราะเรื่องเกี่ยวกับทางจิตนั้นเป็นเรื่องที่สูจนได้ยากในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความสนใจทางวัตถุและมนุษย์ไม่ยอมเชื่ออะไรโดยศักแต่ว่าเชื่อสิ่งที่จะเป็นความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรนธ์ทางจิตก็พิสูจน์ได้ยากยิ่งขึ้นไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังทำความพยายามกันอยู่มากไม่ใช่ในหมู่คนที่ไร้การศึกษาป่าเทือนแต่ในหมู่คนที่มีการศึกษาอย่างดี ศาสตราจารย์เซฟเทสบรลลี่ที่ออกนามมาข้างต้นนี้ก็เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสำคัญต่างๆเชิญให้ไปแสดงปาทกถาถึงผลแห่งการค้นคว้าของเขาและหนังสือตำราซึ่งเกิดขึ้นจากมือของศาสตราจารย์ผู้นี้ก็เนื่องมาจากปาทกถาที่แสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ดีแม้ในข้อเขียนข้อบรรยายของศาสตราจารย์เซฟเทสบิลี่ผู้นี้ ก็ยังไม่สามารถจะให้ข้อพิสูจน์อันเป็นที่พอใจแก่พวกเราชาวสมัยใหม่เพราะว่าในทางจิตวิทยานั้นไม่สามารถจะให้สูตรสำเร็จเหมือนวิชาเลขที่ว่าสองคูณสองเป็นสี่ไม่สามารถจะทำการทดลองให้เห็นประจักษ์แก่ตา ม, มนุษย์ได้ง่ายๆเหมือนอย่างเอาสีน้ำเงินกับสีแดงมาผสมกันเข้าจะต้องเป็นสีม่วงเสมอไปไม่สามารถจะให้พิสูจน์จากสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่เชื่อได้แน่นอนเช่น ข้อพิสูจน์ในทางภูมิศาสตร์ว่าโลกนี้กลมเรื่องเกี่ยวกับทางจิตยังเป็นเรื่องลึกลับและมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่จะสร้างความสำเร็จมหัศจารร์อันใดในทางจิตได้นั้นต้องเป็นคนที่เชื่อจึงเชื่อโดยไม่คิดค้นหาเหตุผลก็ดูเหมือนจะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นจึงเห็นกันได้ว่าความสำเร็จในทางจิตนั้นอยู่ที่ความเชื่อหรือที่อังกฤษเรียกว่าฝ้ายนั่นเองและเนื่องจากความสำเร็จมาจากความเชื่อหรือฝ้ายนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ว่ากำลังใจนั้นมีอยู่แน่และกำลังใจจะให้ผลได้จริงก็ต่อเมื่อมีความเชื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนกำลังให้แข็งแรงขึ้นข้อความในบทนี้เกี่ยวกับเรื่องการส่งกระแสจิตนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามหนังสือของศาสตราจารย์เซฟเทสบ ร, รี่ฉบับใหม่ที่สุดซึ่งเพิ่งพิมพ์ออกในปีคริสตศักราช1949คือพุทธศักราช2493เมื่อปีพศนั้นเองเห็นจะไม่มีหนังสือใดใหม่กว่านี้ แต่ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่าเราอ่านกันในฐานเป็นเรื่องค้นคว้าที่ผู้ค้นคว้าทดลองได้พยายามทำกันมาได้ผลแค่ไหนเพราะว่าแม้ข้อเขียนใหม่ที่สุดของศาสตราจารย์เซฟเทสบิลลี่ผู้นี้ ก็ยังไม่สามารถจะให้ความพอใจแก่เรานักอ่านสมัยใหม่ยังไม่สามารถจะให้สูตรสําเร็จได้แน่นอนเหมือน2อคูณสเป็นสยังไม่สามารถจะทดลองให้เห็นประจักษ์แก่ตาเหมือนเอาสีแดงกับสีน้ําเงินมาผสมกันกลายเป็นสีม่วงยังไม่สามารถจะให้เราเชื่อในสิ่งแวดล้อมเหมือนพิสูจน์ทางภูมิศาสตร์ที่ว่าโลกกลมถ้าหากมีสูตรทดลองได้หรือพิสูจน์ได้อย่างเรื่องข้างต้นนี้แล้วโฉมหน้าของโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก แต่นี่ยังหาได้ไม่เราศึกษากันแต่เพียงว่าการค้นคว้าของมนุษย์ในเรื่องนี้ได้มาถึงแค่ไหนเท่านั้นข้อความต่อไปนี้จะได้เขียนตามตำราของศาสตราจารย์เซฟเทสบรลลี่ศาสตราจารย์เซฟเทสบิลลีได้เริ่มกล่าวว่าในสมัยหนึ่งความคิดเรื่องการส่งกระแสจิตเป็นเรื่องที่ถูกเย้ยหยันว่าเหลวไหลไร้สาระแต่ในปัจจุบันนี้พวกนักคิดนักค้นคว้าที่ดีที่สุดยอมรับว่าเป็นสิ่งซึ่งอาจจะมีได้เป็นได้จริงๆ องค์การและสมาคมต่างๆได้ตั้งขึ้นเป็นอันมากสำหรับค้นคว้าวิชาการเรื่องนี้และผู้ที่ทำการค้นคว้าอย่างแท้จริงนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาในมหาวิทยาลัยที่สำคัญสคัญต่อหน้าผู้มีความรู้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้านักวิทยาศาสตร์และที่แปลกประหลาดนั้นคือ ผู้ที่สนใจค้นคว้าเรื่องการส่งกระแสจิตมากที่สุดนั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเล่าเรียนศึกษาในทางตรงกันข้ามกับเรื่องกระแสจิตแต่เขาก็ค้นคว้ามากกว่าบุคคลพวกอื่นอันที่จริงในเรื่องกระแสจิตนั้นก็ดูไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยและดูไม่เป็นปฏิปักษ์กับทางวิทยาศาสตร์อย่างไรกระแสวิทยุมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเราฉันใดกระแสจิตก็มีอยู่รอบตัวเราฉันนั้นใครเลยจะนึกบ้างว่า ในห้องเล็กๆที่เราอยู่ไม่ว่าในที่ใดตำบลใดมีกระแสะวิทยุหลายร้อยหลายพันกระแสะส่งจากประเทศทั้งหลายทั่วโลกโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงบ้างโดยสถานีวิทยุส่งข่าวส่วนบุคคลหรือส่วนราชการบ้างกระแสะเหล่านี้อยู่ใกล้หรืออยู่กับตัวของเราทุกคนถ้าเรามีเครื่องรับที่มีกำลังแรงพอไปเปิดรับเข้าที่ไหนก็ย่อมจะรับกระแสะวิทยุได้ จะเป็นการประหลาดอะไรที่ในห้องเล็กๆของเราแห่งเดียวกันจะเต็มไปด้วยกระแสดวงจิตกระแสความคิดความต้องการความปรารถนาความระลึกถึงในทางเมตตาการุณาความพยายามคิด ร, ร้ายเลื่อนลอยอยู่รอบๆตัวเราคนโบราณได้คิดเห็นเรื่องนี้มาช้านานและความเชื่อของคนโบราณที่ว่าวิญญาณอันเป็นจานวนเหลือที่จะนับได้ลอยบนเกลื่อนกลนอยู่ทั่วไปในโลกนั้นก็ไม่เป็นสิ่งเหลือเชื่อความจริงอาจจะมีอยู่บ้าง แต่เราไม่สามารถจะจับเอามาอธิบายหรือพิสูจน์ให้เห็นกันได้เพราะเรายังไม่รู้วิธีการจับศาสตราจารย์เซฟเทสบิลี่ได้ให้ความคิดเห็นต่อไปว่า ถ้าบุคคลผู้ใดมีความสามารถในการที่จะจับกระแสจิตของคนอื่นได้แล้วก็สามารถจะจับได้ทุกชาติทุกภาษาเพราะว่ากระแสจิตนั้นไม่มีภาษาคนต่างภาษาที่ไม่เข้าใจภาษาของกันและกันก็อาจจะส่งกระแสจิตให้เข้าใจกันได้ซึ่งถ้าส่งเป็นคำพูดเช่นพบพูดกันจริงๆอาจจะไม่สามารถเข้าใจกันเลยแต่ส่วนทางกระแสจิตนั้นถ้ารับกันได้ ก็รับอย่างเข้าใจแจมแจ้งกันทีเดียวโดยไม่ต้องใช้ล่ามแปลมีตัวอย่างมากมายหลายครั้งที่ชาวประมงซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลเอาเรือออกไปช่วยคนเรือแตกในเวลากลางคืนมีพายุฝนอย่างแรงด้วยเหตุอย่างเดียวคือรู้สึกเหมือนว่ามีเรือมาแตกและมีคนร้องขอให้ช่วยชาวประมงเหล่านั้นในขณะที่มีพายุฝนเขาอยู่ในบ้านเรือนของเขาซึ่งปิดหมดทุกด้านแม้แต่แสงฟ้าแลบก็ไม่ต้องการให้ลอดเข้ามา เราทราบอยู่ว่าริมทะเลเวลามีพายุฝนนั้นแม้แต่จะจุดพลุหรือยิงปืนส่งเสียงขอความช่วยเหลือก็ไม่มีทางจะได้ยินแต่ก็มีเป็นอันมากที่คนริมฝั่งรู้สึกสังหรณ์ใจว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือเขาทำความพยายามพากันเอาเรือกันเชียงออกมาและในที่สุดก็ได้พบเรือที่ต้องอันตรายเรื่องชนิดนี้มีอยู่เป็นอันมากและเรือที่มาประสบอันตรายนั้นโดยมากก็ต่างชาติต่างภาษากับคนที่อยู่บนฝั่ง การนึกขอความช่วยเหลือก็เป็นที่เข้าใจกันได้โดยไม่ต้องมีล่ามแปลศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวว่าสภาพจิตที่ส่งถึงกันได้ง่ายที่สุดและผู้รับก็รับง่ายที่สุดนั้นคือความกลัวกระแสแห่งความกลัวส่งได้แรงและรวดเร็วมากเพราะความสะเทือนใจอย่างแรงทำให้กระแสแรงและรวดเร็วขึ้นด้วยท่านผู้นี้ยกตัวอย่างเรื่องเรือแตกดังกล่าวข้างตน้นและยกตัวอย่างเรื่องลูกเตา๋าหรือญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล ถ้าไปเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันใดขึ้นที่ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมากระแสจิตย่อมจะมาถึงคนที่อยู่ทางบ้านได้ง่ายคนที่อยู่ทางบ้านอาจจะเกิดความห่วงใหญ่ความวิตกหรือความสังหรณ์ต่างๆลงท้ายก็อยากติดตามถามข่าวหรือไปดูให้รู้จริงและก็มีเป็นอันมากซึ่งเมื่อติดตามถามข่าวหรือไปดูเข้าก็ได้พบว่า คนคนนั้นกำลังอยู่ในอันตรายซึ่งอาจจะเป็นความเจ็บป่วยหรืออันตรายใดๆก็ตามทีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความกลัวและระลึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่จะช่วยเหลือได้ด้วยความกลัวมารดาที่ละทิ้งลูกไปทาการงานหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดห่างจากลูกในเวลานอนหลับ ห่างกันจนไม่ได้ยินเสียงร้องมีน้อยนักที่ลูกจะได้รับอันตรายถ้าหากลูกตื่นขึ้นและเดินเที่ยวหาแม่หรือด้วยความกลัวแม่จะรู้สึกความเป็นห่วงจะมีขึ้นทันทีอาจจะรีบมาดูลูกแล้วก็ได้พบลูกอยู่ในฐานะที่น่ากลัวอันตรายเช่นลูกอาจจะเดินงุ่มง่ามไปตกเกลือนตกบันดไดได้ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นกระแสะแห่งความกลัวของลูกที่แล่นไปถึงแม่ท่านผู้นี้กล่าวต่อไปว่า ในงานชุมนุมชนหรืองานสโมสรซึ่งมีคนมากมายหลายร้อยถ้าใครคนหนึ่งเกิดชอบเนื้อพึงใจใครขึ้นมาเช่นถ้าชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดความพอใจรักใคร่หญิงสาวคนหนึ่งขึ้นหญิงสาวคนที่ถูกรักใคร่นั้นย่อมจะมีความรู้สึกและรู้ว่าใครสนใจกับตัวอาจจะเป็นด้วยเหตุว่าชายหนุ่มผู้รักใคร่และสนใจนั้นพยายามมองดูบ่อย จนกระทั่งสตรีผู้นั้นมองไปสบตาเข้าหลยหนหรืออาจจะเป็นว่าชายหนุ่มผู้นั้นพยายามเข้าใกล้พยายามพูดด้วยแต่ก็มีเป็นอันมากที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ชายหนุ่มผู้นั้นมาแอบดูอยู่ข้างๆหรือนั่งดูอยู่ข้างหลังโดยไม่ประสงค์ให้สตรีผู้นั้นรู้ตัวว่าถูกจ้องดูสตรีผู้นั้นก็อดมีความรู้สึกไม่ได้ตามปกติในงานสมมสร อ, อย่างนั้นสตรีผู้มีความงามเด่นเป็นดาราย่อมจะมีคนมองดูมาก มีคนพยายามเข้าใกล้มากมีคนมาพูดจาด้วยหรือถ้าเป็นสโมสรลีลาดก็มีคนมาขอเต้นรำด้วยแต่ในบรรดาบุคคลที่ชอบดูชอบเข้าใกล้หรือแม้มาขอเต้นรำนี้ผู้ที่ไม่มีความคิดในทางรักใคร่ก็ไม่ทําความรู้สึกอย่างใดให้แก่สตรีผู้นั้นแต่ถ้าเป็นคนที่มีความคิดนึกในเรื่องรักใคร่ผูกพันอย่างแท้จริงหญิงผู้นั้นย่อมจะรู้สึกทันทีว่าตัวถูกรักและสตรีผู้นั้นมักจะบอกได้โดยไม่ผิด ว่าใครมาสนใจกับตนอย่างแท้จริงกล่าวกันว่านายมอร์แกนมหาเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งได้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจจนสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนได้เหลือหลายด้วยเหตุอย่างเดียวคือรู้ใจว่าใครต้องการอะไรบุคคลที่มาติดต่อด้วยทางธุรกิจกับท่านผู้นี้ย่อมจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการแปลกประหลาดยิ่งนักที่นายมอร์แกนทำถูกความประสงค์ทุกอย่างเหมือนจะล่วงรู้เข้ามาในดวงใจว่า ต้องการอย่างไรตัวนายมอแกนเองยอมรับว่าตัวเขาเป็นเครื่องรับกระแสดวงจิตของมนุษย์อย่างง่ายที่สุดถ้าเขาเป็นคนขายของอยู่ในร้านมีคนเข้ามาในร้านมองทางโน้นทางนี้เพื่อจะหาของที่เขาต้องการ น, นายมอแกนจะทายถูกอย่างมากว่าคนคนนั้นต้องการอะไรแล้วก็บอกหรือไปยังที่ขายของสิ่งนั้นได้ถูกต้อง เขาทายถูกจนกระทั่งว่าคนซื้อนั้นต้องการของถูกของแพงของชั้นดีชั้นเลวหรือชั้นกลางอย่างใดเขาแนะนำได้ถูกต้องไม่ต้องสงสัยเลยการที่สามารถเป็นเครื่องรับกระแสจิตอย่างดีเช่นนี้ย่อมจะสร้างความสำเร็จในธุรกิจการงานให้ไม่ว่าในเรื่องอะไรทั้งนั้นศาสตราจารย์เซฟเท x บิลลี่อธิบายว่า การเป็นเครื่องรับกระแสจิตนั้นหญิงรับเก่งกว่าชายเพราะความสะเทือนใจของหญิงแรงกว่ามีคนมาเล่าให้สัตว์อาจารย์ผู้นี้ฟังว่าผัวเมียคู่หนึ่งขับรถออกไปนอกเมืองผัวเป็นคนขับเมียนั่งคู่ไปข้างหน้าเป็นเวลากลางคืนพบตำรวจสองคนยืนอยู่ริมถนนให้สัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขออาศัยรถไปด้วยโดยอ้างว่ากำลังติดตามผู้ร้ายกิริยาท่าทางไม่มีอะไรทำให้สงสัยแม้แต่เล็กน้อย แต่เมื่อขับรถมาได้พักหนึ่งภริยาก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาบอกว่าตำรวจสองคนนี้ไม่ใช่ตำรวจแต่ความจริงเป็นผู้ร้ายซึ่งอาจจะกระทําร้ายเขาทั้งสองคนผัวเมียก็ได้ภริยาไม่รู้จะทําอย่างไรแม้จะมีความเชื่อใจอยู่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะบอกอะไรสามีได้เธอจึงเอื้อมมือไปบีบแขนสามีอย่างแรงส่วนสามีนั้นชั้นแรกก็ไม่สงสัยอะไรเหมือนกันแต่พอถูกภริยามาบีบแขนเขา้ารู้สึกเหมือนว่า กระแสข่าวสารอันใดอันหนึ่งแล่นเข้ามาบอกว่าตำรวจสองคนนี้ไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นผู้ร้าย เขาไปถึงที่ขายน้ํามันแห่งหนึ่งพระอิญน้ํามันในรถเหลือน้อยพรรยาก็วิ่งเข้าไปข้างในร้านขายน้ํามันโทรศัพท์ถึงสถานีตํารวจที่อยู่ข้างหน้าในระหว่างทางที่เขาจะไปถึงว่าสงสัยผู้ร้ายปลอมเป็นตํารวจนั่งมาในรถเขาสองคนและกําลังจะเคลื่อนรถผ่านไปข้างหน้าสถานีตํารวจเดี๋ยวนี้เมื่อเติมน้ํามันเสร็จแล้วและพูดโทรศัพท์เสร็จแล้วรถก็เคลื่อนที่ต่อไปพอถึงหน้าสถานีตํารวจก็มีตํารวจมายืนห้ามรถให้รถหยุด เรียกเอาตำรวจสองคนที่มาในรถนั้นเข้าไปในสถานีเมื่อเห็นท่าทีสงสัยว่าไม่เป็นตำรวจจริงก็เลยกักตัวไว้ภายหลังที่ได้ถูกสอบสวนอย่างละเอียดคนสองคนก็ให้การสารภาพว่าเป็นผู้ร้ายและปลอมตัวมาในเครื่องแบบตำรวจเรื่องต่างๆเหล่านี้แสดงว่าการส่งกระแสดวงจิตให้แก่กันและกันนั้นมีได้แน่และถึงแม้ว่า จะไม่ได้ตั้งใจส่งความคิดของมนุษย์ที่คิดกันอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ก็ย่อมจะมีกระแสะออกไปถ้าไปถูกดวงจิตที่มีสมรรถภาพในทางเป็นเครื่องรับเข้าเขาก็รู้ทันทีอย่างน้อยก็สงสัยและเขาอาจจะทายได้ถูกต้องเรื่องทายใจกันถูกนอกจากจะเกิดจากไหวพริบการรู้จักลักษณะท่าทีของคนแล้วยังเกิดจากเครื่องกระแสะดวงจิตนี้เองเป็นอันมาก กระแสดวงจิตที่จะส่งออกไปนั้นก็ย่อมส่งออกไปด้วยใจซึ่งจะเป็นการตั้งใจส่งหรือไม่ตั้งใจก็ได้และเครื่องรับที่จะรับกระแสดวงจิตนั้นก็คือใจเหมือนกันแต่ในบางกรณีอาจจะรับทางจักษุประสาทสดตะประสาทและทางกายก็ได้ในสามทางนี้สัตราจารย์เซฟเทสดิรุรี่บอกว่าทางจักษุประสาทเชื่อได้ยากที่สุดเพราะในตาของคนนั้นหลอกตัวเองได้เป็นอันมาก ทางโสดประสาทแม่นยำกว่าจักสุประสาทหรือบางทีมีเสียงหวาดแว่วเหมือนเสียงคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกันแต่ปัจนี้อยู่ห่างกันไปสัตต r า j a n ผู้นี้กล่าวว่าในบรรดาจักสุโสดและร่างกายนั้นทางร่างกายแม่นยำมากความรู้สึกเสียวสยองขึ้นมาในทันทีทันใดโดยไม่มีเหตุผลย่อมแสดงว่ามีใครคนหนึ่งระลึกนึกถึงในขณะที่เขาตกอยู่ในความยากลําบากและต้องการความช่วยเหลือของเราในกรณีเช่นนั้น ถ้าหากเกิดขึ้นในเวลาที่คนรักใกล้ๆชิดของเราเดินทางไปห่างไกลหรือไปปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงภัยอันตรายก็มักเป็นเรื่องที่ภัยอันตรายได้เกิดขึ้นแก่คนคนนั้นเครื่องรับทางกายที่แม่นยำ ม, มากอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกว่ามีมือมาจับที่แขนหรือที่ตัวของเราผู้ที่เล่า ว, ว่าถูกผีหลอกโดยมากถ้าเป็นเรื่องถูกเนื้อต้องตัวก็มักจะเล่า ว, ว่ามีมือผีมาจับและเย็นเยือกศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวว่า นั่นคือการรับกระแสจิตอันหนึ่งซึ่งยังไม่แน่ว่าอะไรแต่เป็นเรื่องที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่คนรักใกล้ใๆชิดซึ่งอยู่ห่างไกลระลึกถึงเราอย่างรุนแรงอาจเป็นเรื่องที่เขาตกอยู่ในความลำบากตกอยู่ในอันตรายหรือเป็นเรื่องที่คิดถึงด้วยความรักใคร่อย่างเหลือเกินก็ได้ศาสตราจารย์ผู้นี้แนะนําว่าไม่ให้เชื่อว่าเป็นเรื่องผีหลอกถ้ารู้สึกว่าผีเอามือมาจับต้องนึกถึงคนรักใกล้ๆชิดก่อนอย่างอื่น และควรจะรีบติดตามถามข่าวแต่เครื่องรับซึ่งดีที่สุดคือใจความรู้สึกจะเกิดขึ้นในใจในเมื่อได้รับกระแสดวงจิตจะเป็นความรู้สึกที่แน่นอนไม่ใช่ความคิดทายเดาไม่ใช่ความสงสัยเป็นความรู้สึกเหมือนว่าได้เห็นแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตาคือไม่ได้เห็นทางตาแต่แลเห็นทางปลายประสาทของตารู้สึกเหมือนว่าได้ยินแต่ไม่ได้ยินทางหูได้ยินทางปลายประสาทของหูและบอกให้รู้เรื่องอย่างแจ่มแจ้ง เรื่องเกี่ยวกับกระแสจิตนี้ทางจิตวิทยาสมัยใหม่แบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคือการส่งเรียกว่าทอสทานเฟอร์เรน์และอีกอย่างหนึ่งคือการรับเรียกว่าเทเรพาที่ศาสตราจารย์ผู้นี้อธิบายว่าอันที่จริงเรื่องการส่งนั้นไม่มีความสำคัญอะไรมากนักเพราะคนเรานึกคิดอะไรย่อมจะมีกระแสจิตที่กระจายออกไปอยู่แล้ว กลับเป็นอันตรายเสียอีกคือถ้าไปถูกดวงจิตที่สามารถรับเขา้าเขาอาจจะรู้ตัวคิดหรือต้องการอะไรและการสร้างกำลังส่งก็ง่ายกว่าการสร้างกำลังรับส่วนการรับซึ่งเรียกว่าเทเรพาที่นั้นมีความสำคัญมากเพราะถ้าเราสามารถรับกระแสจิตของใครๆได้เราก็จะรู้ว่าใครมีความคิดอย่างไรนึกถึงเราอย่างไรและอันนี้คือเจโตปริยญาณทางพระพุทธศาสนา ศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวว่าได้ทำการทดลองกันหลายอย่างและมีผู้รู้ผู้สนใจมาร่วมทดลองเป็นอันมากในชั้นแรกเห็นกันว่าดวงจิตที่จะเป็นเครื่องรับอย่างดีนั้นจะต้องเป็นดวงจิตที่หลับหมายความว่าเป็นเวลาหลับและรับความรู้หรือกระแสดวงจิตโดยวิธีฝันแต่เรื่องนี้ก็ไม่สำเร็จเพราะมูลเหตุแห่งความฝันนั้นมีอยู่มากมายตามที่นักค้นคว้าทางความฝันได้อธิบายไว้เป็นอันมากไม่รู้ว่าฝันไหนเป็นฝันจริง อันไหนเป็นแต่เพียงนิมิตหรืออันไหนเป็นความฝันที่เกิดจากความเจ็บไข้ไม่สบายใจหรือจากการรื้อฟื้นความจําเก่าเมื่อได้ทดลองกันมากๆแล้วประกอบกับได้ลองศึกษาค้นคว้าวิธีการของเก่าของโบราณเช่นวิธีการของอินเดียและในอียิปต์โบราณก็ได้ความรู้แน่ชัดว่าวิธีดีที่สุดที่จะหัดใจเป็นเครื่องรับกระแสจิตได้นั้นก็คือหัดทําใจให้ว่างเปล่าหัดทําใจให้เป็นโมฆะ บ, บริสุทธิ์คือว่างเหมือนแผ่นกระดาษ หรือผืนผ้าที่ขาวสะอาดไม่มีความคิดอะไรอยู่เลยการหัดทำใจอย่างนี้ศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากแต่เป็นประโยชน์ยิ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องการส่งหรือรับกระแสจิตหรือแม้ผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องกระแสจิตถ้าหัดทำใจให้ว่างเปล่าอย่างนี้ได้แม้แต่เพียงวันละหนึ่งนาทีก็จะให้กำลังและให้สุขภาพอันดีในทางจิตเป็นอันมาก เพราะการทําใจไม่ให้คิดได้นั้นเท่ากับกวาดล้างสิ่งโสโครกออกไปจากเครื่องยนต์กลไกลซึ่งจะทําให้เครื่องเดินดีมีกําลังดีและเป็นการให้สุขภาพอันดีแก่ดวงจิตอย่างไม่มีวิธีใดสู้ได้และศาสตราจารย์ผู้นี้ยังยืนยันว่าวิธีทําดวงจิตให้ว่างเปล่าโดยไม่คิดอะไรนั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ดวงจิตมีสมรรถภาพในทางเป็นเครื่องรับกระแสดวงจิตของคนอื่นวิธีการนั้นง่ายแต่ว่าทํายากวิธีการมีนิดเดียว คือพยายามขับไล่ความคิดต่างๆออกไปจากดวงใจทําใจไม่ให้คิดไม่ให้นึกถึงอะไรเลยแต่หัวใจของมนุษย์เรามีหน้าที่คิดนึกอดคิดอดนึกไม่ได้การที่จะระงับใจไม่ให้คิดนึกถึงอะไรนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากแต่ถ้าทําได้ก็มีประโยชน์ที่สุดท่านผู้นี้ยืนยันต่อไปอีกว่านโปเลียนเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ในโลกพวกคนใกล้ชิดก็กล่าวกันว่า หัวใจนบโปเลียนนั้นหลับได้ในขณะที่ตัวเองยังตื่นอยู่และนบโปเลียนเองก็เคยบอกแก่คนที่ใกล้ชิดว่าตัวทํำได้อย่างนั้นคือสามารถที่จะกวาดล้างความหมกมุ่นหรือการนึกต่างๆออกไปจากดวงจิตและทําให้ดวงจิตผ่องใสบริสุทธิ์ได้เป็นครั้งคราวและความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของอัจฉริยะบุรุษผู้นี้ก็มาจากเรื่องนี้เราได้ขับไล่ความคิดนึกต่างๆออกไปจากดวงจิตแล้วดวงจิตนั้นก็เป็นดวงจิตว่างเปล่า ซึ่งเรียกว่า Empty Mind และเมื่อดวงจิตว่างเปล่าก็เป็นดวงจิตที่เปิดซึ่งเรียกว่า Open Mind หมายความว่าเปิดรับกระแสจิตของผู้อื่นได้และในขณะที่ดวงจิตว่างเปล่าหรือเปิดอยู่นั้นสภาพจิตย่อมมีกำลังมีความแจม่มใสเป็นสภาพจิตที่ดีที่สุด เมื่อตกลงกันอย่างนี้ในบรรดาผู้ค้นคว้าทดลองต่างคนก็ต่างไปทดลองต่างคนต่างพยายามทำโดยนัดหมายกันว่าใครทดลองทําได้ผลอย่างไรให้นํามาบอกแก่กันและกันเมื่อเวลาล่วงมาพอสมควรผู้ที่ไปทดลองนั้นมีสองคนที่มาเล่าให้ฟัง คนหนึ่งกำลังทำความพยายามจะขายที่ดินเขาประกาศราคาขายสอง0 0ื่นดอนลลาร์แต่ในดวงจิตของเขาคิดว่าถ้าใครจะต่อลงไปสัก 16,000 พเขาก็จะขายอันที่จริงก็เป็นที่ที่หาคนซื้อยากประกาศขายมานานแล้วยังไม่มีใครซื้อเขาจวนเจียนจะไปแก้ประกาศบอกราคาขาดตัว 16,000 พ ก็เพอเอิญพบคนคนหนึ่งที่มาแสดงความประสงค์ว่าจะซื้อเขาได้พบคนคนนี้ในระหว่างที่เขาทำการทดลองเรื่องทำดวงจิตให้ว่างโดยไม่นึกถึงอะไรในขณะที่เขาพูดจากันเขาทำความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ดวงจิตของเขาว่างเปล่าและเป็นเครื่องรับได้สักหนึ่งนาทีเพอเอิญเขาทำได้และในเวลาหนึ่งนาทีที่เขาทาได้นั้นมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นมา ว่าผู้ที่มาซื้อนี้เตรียมตัวมาสำหรับจะตกลงซื้อในราคา 20,000 ดอลลาร์แล้วถ้าเขายืนยันมั่นคงอยู่ในจำนวน 20,000 ดอลลาร์แล้วเขาจะขายที่ดินได้การกระทําดวงจิตให้ว่างเพียงหนึ่งนาทีนั้นทําให้เขาสามารถปรับกระแสจิตของผู้ซื้อและว่าผู้ซื้อเตรียมตัวมาซื้อในราคา 20,000 เต็มผู้ซื้อได้ขอต่อในราคาต่ามากซึ่งเป็นวิสัยของผู้ซื้อ เขาเริ่มต่อตั้งแต่หนึ่งมืสองพันซึ่งต่ำกว่าจํานวนหนึ่งหมืหกพันที่ผู้ขายได้กําหนดไว้ว่าจะเป็นราคาต่ําที่สุดที่เขาจะขายได้การเกี่ยงการต่อได้พูดกันมาอย่างช้านานผู้ซื้อได้ยอมขึ้นมาถึงหนึ่งหมืหพันซึ่งเป็นจํานวนที่เขาคิดไว้แต่เดิมว่าในราคานี้จะยอมขายถ้าเขาไม่รู้ความคิดของผู้ซื้อว่าได้เตรียมตัวมาซื้อในราคาสองหมื่นเขาคงจะยอมตกลงในราคาหนึ่งหืนหกพันแต่บัด น, นี้เขาได้ทราบหรือเชื่อว่า ตัวทราบกระแสจิตของผู้ซื้อเสียแล้วเขาจึงไม่ยอมขายผู้ซื้อได้ขึ้นให้อีกทีละเล็กทีละน้อยเขาก็ยังยืนยันว่าต้องได้ราคา 20,000 ในที่สุดเขาก็ขายได้ 20,000 จริงๆเวลาหนึ่งนาทีที่เขาได้พยายามทำจิตให้ว่างเปล่าทำคุณประโยชน์ให้แก่เขาเป็นจำนวนถึง 4,000 ดอลลาร์ตั้งแต่นั้นมาบุคคลผู้นี้ก็เลื่อมใสในวิธีการทาดวงจิตให้ว่างเปล่านี้เป็นอันมาก อีกคนหนึ่งเป็นผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดีพิพากษาซึ่งดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นปัญหาที่ยากคือมีพี่น้องคู่หนึ่งฟ้องร้องกันด้วยเรื่องมรดกแย่งของสิ่งเดียวคือขวดปักดอกไม้คู่หนึ่งซึ่งเป็นของเก่ามีค่ามากคนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนบิดาถึงแก่กรรมได้ให้ขวดปักดอกไม้คู่นี้แก่เขาและเขาได้นามาไว้ที่บ้านของเขาโดยมีพยานรู้เห็นและนาสืบได้จริงว่าบิดายกให้ ทั้งได้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ก่อนบิดาถึงแก่กรรมแล้วด้วยอีกคนหนึ่งให้การว่าบิดาได้เอาขวดปักดอกไม้คู่นี้แลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรของตนมีพยานรู้เห็นอีกเหมือนกันนำสืบได้เช่นเดียวกันและปรากฏว่าในกองมรดกของบิดานั้นมีพันธบัตรอยู่จริงๆด้วยผู้พิพากษาคนนี้เล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตนกำลังทดลองเรื่องทำให้ดวงจิตว่างเปล่า จึงทดลองดูในเวลานั้นในช่วงเวลาไม่ถึงนาทีก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาบอกว่าพันธบัตรนั้นได้หมดค่าไปช้านานแล้วจึงถามคนที่อ้างว่าได้เอาพันธบัตรแลกกับขวดปักดอกไม้ตั้งแต่เมื่อใดคนนั้นบอกปีที่แลกให้ผู้พิพากษาได้เรียกเอาพันธบัตรมาตรวจดูก็ปรากฏว่าพันธบัตรนั้นหมดค่าไปตั้งแต่ก่อนที่บุตรคนนั้นอ้างว่าได้แลกเปลี่ยนกันจึงตัดสินให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะ อะไรที่เป็นเหตุให้ผู้พิพากษาเกิดความเฉลียวใจว่าพันธบัตรนั้นเป็นของไม่มีค่าผู้พิพากษาเองก็อธิบายไม่ได้แต่ความคิดอย่างนั้นได้บังเกิดขึ้นอย่างแจ่มใสว่าพันธบัตรหมดค่าแล้วทางที่จะอธิบายได้ก็เห็นจะมีอยู่ทางเดียวคือคู่ความฝ่ายที่อ้างถึงพันธบัตรนั้นมีความกังวลห่วงใยนึกถึงเรื่องพันธบัตรหมดค่าอยู่เสมอตลอดเวลาที่อ้างถึงพันธบัตรนั้น ผู้อ้างย่อมจะต้องวิตกวันเกรงอยู่ตลอดเวลาว่าผู้พิพากษาจะจับได้ว่าพันธบัตรหมดค่าความวันเกรงอันนี้เองได้ออกมาเป็นกระแสจิตแล ะ, ะเผอิญผู้พิพากษารับเอาไว้ได้ในเวลานั้นในทางอัจฉริยวิทยาถือกันว่าไม่มีการกระทําผิดอันใดที่ผู้ร้ายจะทําได้สนิทหมดทุกอย่างย่อมจะมีร่องรอยอะไรทิ้งไว้สําหรับจะให้เจ้าหน้าที่จับได้ร่องรอยอั น, นั้นย่อมจะหายากแต่เจ้าหน้าที่ที่มีความเฉลียวฉลาด และรอบครอบก็ย่อมจะหาได้เสมอผู้ร้ายที่ปิดบังอะไรไว้ในเวลาให้การก็ย่อมจะปิดไม่สนิทและก็มีความหวั่นวิตกว่าเจ้าหน้าที่จะจับได้ในด้านโน้นด้านนี้และในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ก็จับได้จริงๆถือกันว่าการที่เจ้าหน้าที่จับได้นั้นเนื่องจากความรู้ความฉลาดเนื่องจากความรอบครอบละเอียดละอ่ เนื่องจากความสามารถในการพิจารณาท่าทีหรือถ้อยคำของผู้ร้ายแต่ก็มีความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าความวิตกกังวลของผู้ร้ายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นย่อมจะแผ่ซ่านออกเป็นกระแสจิตได้เหมือนกันและอาจจะเข้ามาสู่ดวงจิตของเจ้าหน้าที่แม้จะไม่เคยฝึกฝนเรื่องจิตวิทยาในทางหัดรับกระแส ด, ดวงจิตเพราะถึงแม้คนธรรมดาคนที่ไม่เคยฝึกหัดอย่างนี้เลยก็อาจจะรับกระแสดวงจิตของคนอื่นได้บ้างเหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องผัวเมียนั่งรถยนต์ไปด้วยกันดังที่เล่ามาแล้วข้างตน้นเจ้าหน้าที่จึงสามารถมีไหวพริบจับได้ในทันทีทันใดสามารถล้วงถามหรือหยิบยกเอาเรื่องร้ายที่วิตกนั้นขึ้นมาซักไซ้ไล่เลียงส่วนผู้ร้ายนั้นเมื่อถูกซักถามในข้อที่จี้หัวใจของตนเข้าก็ไม่สามารถจะปิดบังความลับต่อไปได้ผู้สอบสวนซักถามผู้ร้ายบางคนนึกประหลาดใจตนเองเหมือนกันว่าเหตุไรจึงไปนึกถึงข้อนั้นเข้า ตามปกติเข้าใจกันว่าเป็นด้วยความชำนิชำนาญหรือบางทีก็คิดไปว่าเป็นเรื่องเคราะห์ดีศบโชคเหมาะเข้าแต่อันที่จริงเรื่องกระแสดวงจิตนี้มีส่วนสําคัญอยู่เป็นอันมากผู้ทดลองอีกคนหนึ่งได้เล่าให้ศาสตราจารย์เซฟเทสบิลลี่ฟังว่าในระหว่างที่ทําการทดลองฝึกฝนเรื่องทําหัวใจให้ว่างอยู่นั้นลูกชายของเขาไปอยู่เมืองไกลเขานึกถึงลูกชายขึ้นมาอยากจะรู้ว่า เวลานี้ลูกชายจะนึกถึงเขาว่าอย่างไรบ้างเขาพยายามทําใจให้ว่างเปล่าอย่างวิธีที่ตกลงกันไว้เมื่อเห็นว่าทําได้สําเร็จก็ลองหยิบกระดาษและดินสอมาถือไว้ในมือลองทําใจให้ว่างเปล่าอย่างแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งเขาเกิดความรู้สึกเหมือนอย่างว่าลูกชายอยากจะบอกให้เขาเขียนอะไรอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถจะบอกได้เพราะลูกชายในเวลานั้นมีกําลังน้อยและอ่อนเพลียมากเขารู้สึกว่า ลูกชายกำลังทำความพยายามที่จะบอกให้เขาเขียนอะไรลงไปในแผ่นกระดาษและจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ความรู้สึกอย่างนี้ทำให้เขารู้ทันทีว่าลูกชายกำลังเจ็บเขารีบออกเดินทางไปยังเมืองที่ลูกชายอยู่และก็ได้พบลูกชายกำลังป่วยหนักจริงๆเขาได้พาลูกชายกลับบ้านรีบทำการรักษาพยาบาลเขาบอกว่าถ้าเขาไปช้าสักวันเดียวลูกชายอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ผู้ทดลองฝึกฝนอีกคนหนึ่งรายงานว่า เขามีร้านขายของและในตอนก่อนเที่ยงวันหนึ่งไม่มีคนเข้ามาซื้อของในร้านเลยเขาเห็นเป็นเวลาเหมาะเพราะเงียบเขาจึงใช้เวลาอันเล็กน้อยนี้ฝึกฝนการทำใจให้ว่างเปล่าเราจะเห็นได้ว่าวิธีการของฝรั่งนั้นเขาพยายามหยิบจุยโอกาสใช้ไม่ว่าเวลาใดแม้แต่ผู้ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านก็ยังอุตส่าห์ใช้เวลาที่ไม่มีคนซื้อฝึกฝนทางจิตใจได้เขาไม่จาเป็นต้องเข้าป่าหาที่สงบสงัด เพราะพวกนั้นไม่มีทางจะเข้าป่าแต่ในช่วงเวลาหนึ่งนาทีที่เขาทำดวงจิตให้ว่างเปล่านั้นเขาได้รับความรู้สึกว่าก่อนเที่ยงวันนั้นเองจะมีผู้ร้ายมาปล้นที่ร้านของเขาเป็นความรู้สึกที่แจ่มใสแน่ใจเขาจึงได้โทรศัพท์บอกตำรวจและก็จำเป็นต้องกล่าวเท็จในการบอกตำรวจคือต้องบอกว่าเขาได้ข่าวมาจากคนของเขาเองซึ่งรู้มาจากทางสายลับของผู้ร้ายว่าจะมีผู้ร้ายมาปล้นเขาก่อนเที่ยงวันนี้ จึงต้องขอความอารักขาของตำรวจทางตำรวจได้ส่งตำรวจหลายคนมาซุ่มอยู่ในที่หลายแห่งภายในร้านพอใกล้ถึงเวลาเที่ยงก็มีคนสองถึงสคนเข้ามาซื้อของทำเป็นถามซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ยกปืนจ้องเจ้าของร้านบอกให้เจ้าของร้านยกมือขึ้นทันใดนั้นตำรวจก็ออกมาจับผู้ร้ายนั้นได้ผู้ทดลองอีกคนหนึ่งรายงานว่าเขาทำสัญญาจ้างช่างทาสีบ้านซึ่งสร้างขึ้นใหม่และยังไม่ได้ไปอยู่ในสัญญานั้นมีบทบังคับว่า สีที่ใช้ทาต้องเป็นสีชั้นที่หนึ่งบุคคลผู้นั้นเคยไปตรวจบ้านที่กำลังสร้างและทาสีทุกวันจันทร์คือไปตรวจเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวันจันทร์วันหนึ่งเขาได้ไปตรวจก็ได้เห็นผู้รับเหมาใช้สีอย่างชั้นที่หนึ่งสำหรับทาบ้านเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็าไปที่สถานีรถไฟเพราะในวันนั้นเขาจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดเขาถึงสถานีรถไฟเร็วมากต้องเสียเวลาคอยนานหน่อย ระหว่างคอยที่สถานีรถไฟเขาตกลงใจว่าจะยอมใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสำหรับทำดวงจิตให้ว่างเปล่าพอลองทำเข้าก็แลเห็นผู้รับเหมาทาสีบ้านกำลังใช้สีชั้นที่สองทาบ้านเขารีบออกจากสถานีรถไฟเข้าไปบ้านที่กาลังทาสีนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้พบความจริงว่าผู้รับเหมาใช้สีชั้นที่หนึ่งแต่เฉพาะเวลาที่เขาไปตรวจเมื่อเขาไปดูครั้งที่สองนี้โดยไม่ให้รู้ตัวได้พบว่า ช่างทาสีทุกคนกําลังใช้สีชั้นที่สองทาบ้านในหนังสือของศาสตราจารย์ผู้นี้ให้ตัวอย่างอีกมากมายซึ่งผู้ทําการฝึกฝนด้วยกันในเรื่องทําดวงจิตให้ว่างเปล่านี้ไปทําการทดลองได้ผลไม่จําเป็นจะต้องนําตัวอย่างเหล่านี้มาบรรยายไว้ในที่นี้ทั้งหมดที่นํามาแล้วก็พอแสดงให้เห็นว่า พิธีการฝึกฝนทำจิตให้ว่างเปล่านั้นอาจทำได้เสมอไม่ว่าในที่ใดไม่ว่าในร้านขายของบนบันลังผู้พิพากษาหรือในสถานีรถไฟและคนทุกชั้นทุกอาชีพสามารถจะฝึกฝนวิชาการอันนี้ได้และการฝึกฝนนั้นก็ไม่ให้โทษอย่างไรเลยมีแต่จะทำให้ดวงจิตมีกําลังแข็งกล้าเป็นการให้สุขภาพอย่างดีแก่ดวงจิตไปในตัวศาสตราจารย์เซฟเทสบิวรี ory, อธิบายต่อไปว่า วิธีการที่จะทำให้ดวงจิตว่างเปล่าและเปิดปรับกระแสะความคิดของผู้อื่นได้นั้นนอกจากจะต้องพยายามขับไล่ความคิดทั้งหลายออกไปเหมือนกวาดล้างสิ่งเก่าๆออกไปจากหัวใจแล้วยังมีวิธีการบางอย่างที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้คือบางทีเราไม่สามารถจะทําให้สําเร็จได้ด้วยวิธีกวาดล้างอย่างง่ายๆเพราะการที่จะขับไล่ความคิดทั้งหลายออกไปจากดวงจิตทําให้ดวงจิตว่างเปล่าจริงๆนั้นเป็นเรื่องยากมาก ดวงจิตมีไว้สำหรับคิดและดวงจิตย่อมมีปกติคอยคิดอยู่เสมอการที่จะห้ามดวงจิตไม่ให้คิดอะไรนั้นเป็นเรื่องยากมากศาสตราจารย์ผู้นี้ได้ทดลองใช้วิธีการบางอย่างปรากฏได้ผลดีซึ่งได้ให้คำแนะนำไว้3ประการคือ 1. ถ้าดวงจิตกำลังคิดวุ่นอยู่ในเรื่องต่างๆมากมายหลายเรื่องย่อมเป็นการยากหรือเกอบเป็นการพ้นวิสัยที่จะขับไล่ความคิดทุกอันออกไปจากดวงจิต อีกประการหนึ่งในขณะที่ดวงจิตกำลังคิดอยู่หลายเรื่องนั้นดวงจิตอยู่ในลักษณะที่ฟุ้งซ่านเป็นดวงจิตที่จับยากข่มยากในกรณีเช่นนี้จำเป็นต้องเอาสมาธิเข้าช่วยก่อนคือในบรรดาเรื่องต่างๆที่กำลังคิดอยู่วุ่นวายหลายเรื่องนั้นให้เราเลือกดูว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดหยิบเรื่องนั้นมาคิดแต่เรื่องเดียวทาใจให้เป็นสมาธิเข้ามาทีละน้อยคือให้คิดอยู่เรื่องเดียวไม่คิดถึงเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิ เมื่อได้ความแน่วแน่อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเดียวแล้วก็ทําความพยายามอีกครั้งหนึ่งคือกวาดล้างเรื่องนั้นออกไปจากใจเป็นการกวาดล้างแต่เพียงเรื่องเดียวซึ่งง่ายกว่าที่จะกวาดล้างหลายเรื่อง 2. ถ้าหากว่าแม้จะทําอย่างนี้แล้วก็ยังไม่สําเร็จดวงจิตยังว่างเปล่าไม่ได้ก็ควรจะพักผ่อนปล่อยให้ดวงจิตเป็นไปตามสภาพของมันสักประเดี๋ยวหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยตั้งต้นใหม่ดวงจิตก็เหมือนเด็กเล็ก การที่จะเอาเด็กเข้าสู่ระเบียบวินัยนั้นจะทำอย่างคึกคักโครงครามหาได้ไหมต้องค่อยทำไปทีละน้อยและในบางครั้งก็ต้องปล่อยตามวิสัยเด็กบ้างแต่อย่าละทิ้งความพยายามเมื่อพักพอสมควรแล้วก็เริ่มต้นทำใหม่สมคิดในทางที่ตรงกันข้ามที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าร e v e อร์เซตตอร์คือถ้าดวงจิตของเรากาลังหมกมุ่นอยู่ในความคิดเรื่องใดและไม่สามารถที่จะขับไล่ความคิดอ น, นันออกไปได้ ให้ลองคิดในทางที่ตรงกันข้ามซึ่งถ้าคิดในทางที่ตรงกันข้ามได้แล้วความคิดที่หมกมุ่นอยู่นั้นอาจจะออกไปได้ง่ายๆวิธีคิดตรงกันข้ามนั้นเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ถ้าเป็นคนมีหนี้สินซึ่งเจ้าหนี้กำลังเร่งรัดหรืออาจจะเกิดภัยอันตรายเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องนั้นซึ่งตามธรรมดาต้องทาความหมกมุ่นให้แก่ใจอย่างมากในกรณีเช่นนี้ ก็ให้ลองคิดในทางที่ให้ความหวังว่าเราจะมีทางโน้นทางนี้สาหรับจะผ่อนผันหรือใช้หนี้ถึงจะยังไม่มีจริงก็ให้คิดสมมติไปอาจจะเกิดผลได้ถ้าเป็นเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องและจิตใจไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นไม่สามารถจะหักจิตออกจากเรื่องฝนตกฟ้าร้องได้ก็ให้นึกว่าอีกประเดียวเดียวเรื่องฝนตกฟ้าร้องก็หายไปและดินฟ้าอากาศก็แจ่มใส ถ้าดวงจิตกำลังหมกมุ่นอยู่กับความล้มเหลวพ่ายแพ้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ให้คิดถึงการก่อนๆที่เคยได้รับชัยชนะมาหรือมิฉะนั้นก็ให้คิดไปในทางผลดีของความพ่ายแพ้นั้นเช่นความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้นั้นอาจจะเป็นบทเรียนอย่างดีแก่เราสอนให้เรารู้จักเอาชัยชนะในการต่อไปถ้าดวงจิตกาลังหมกมุ่นขุน ค, คิดอยู่ถึงเรื่องความเดือดร้อนอันเกิดจากค่าครองชีพแพงขึ้นและไม่มีทางจะแก้ได้ ก็ให้คิดไปในทางที่ว่าการที่ค่าครองชีพแพงขึ้นนั้นรายได้ของเราก็มากขึ้นเหมือนกันและมีทางที่จะหารายได้เพิ่มปูนขึ้นให้เหมาะสมกับความแพงของค่าครองชีพเรื่องเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงตัวอย่างสำหรับขจัดความคิดหมกมุ่นนั้นให้หมดไปเมื่อกวาดล้างออกไปตรงๆไม่ได้ก็ให้หัดคิดในทางที่ตรงกันข้ามการหัดคิดชนิดนี้ย่อมจะเป็นการฝืนใจแต่เราต้องเข้าใจให้แน่นอนอย่างหนึ่งว่า เรื่องการฝึกฝนทางจิตนั้นก็คือการฝืนใจนั่นเองดวงจิตที่มีสมรรถภาพคือดวงจิตที่สามารถจะฝืนได้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยทั้งนี้เป็นข้อแนะนาหนทางช่วยสำหรับขจัดความคิดออกไปจากดวงจิตหรือทำให้ดวงจิตหยุดคิดซึ่งถ้าสำหรับผู้ที่สามารถขจัดความคิดออกไปได้ง่ายๆก็ไม่จาเป็นต้องใช้วิธีอย่างนี้ขอให้เรามั่นใจกันอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีขจัดความคิด และทำดวงจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์นี้ถ้าแม้นจะทำไปสักเพียงไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ดีจะไม่มีโทษอะไรแก่ดวงจิตเลยตรงข้ามกลับจะเป็นคุณอย่างยิ่งไม่ต้องเกรงกลัวว่าทำอย่างนี้หรือฝึกฝนวิธีนี้จะทำให้ดวงจิตวิปลาสหรืออ่อนแอลงไปอันที่จริงเรื่องขจัดความคิดต่างๆทำให้ดวงจิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์หรือหยุดคิดเรื่องอะไรนั้นเป็นวิธีการที่สูงสุดและดีที่สุด ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะให้สุขภาพแก่ดวงจิตดีกว่าวิธีนี้เรื่องการเป็นป้าเสียจริตนั้นเกิดจากการหมกมุ่นขุนคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมากเกินไปยิ่งมีเรื่องหมกมุ่นขุนคิดหลายเรื่องเข้ามาสับสนปนเปนั่นคือทางแห่งการที่จะมีสติวิปลาสวิธีที่จะรักษาหรือป้องกันนั้นก็คือทำให้ดวงจิตหยุดคิดเมื่อดวงจิตหยุดคิดดวงจิตอยู่ว่างเปล่าก็เป็นดวงจิตที่เปิดเปิดป ร, รับกระแสดวงจิต หรือความคิดของผู้อื่นที่จะมาปรากฏในความรู้สึกทางใจแต่มีวิธีการต่อไปอีกที่จะช่วยในเรื่องนี้คือสมมุติว่าถ้าเราสามารถทำดวงจิตให้ว่างเปล่าหรือให้เปิดรับอยู่แล้วยังไม่มีอะไรเข้ามาศาสตราจารย์ผู้นี้ก็แนะนำวิธีที่เรียกว่าจุงจิตคือเรื่องจุงจิตหรือ s ัก g e ช t i o นั้นมีอยู่2 อ, อย่างคือ 1. จุงจิตคนอื่นซึ่งเรียกว่า สเกชันเฉยๆและสองจงจิตตัวเองซึ่งเรียกว่าออโต้สเกเชันเรื่องการจุงจิตเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะได้กล่าวโดยพิสดารในบทอีกบทหนึ่งต่างหากในที่นี้จะกล่าวไว้แต่เฉพาะเรื่องที่จะช่วยทำประโยชน์ในการรับกระแสจิตซึ่งศาสตราจารย์เซฟเทสบิลลี่ได้ให้คำแนะนำไว้ดังต่อไปนี้ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมอร์แกน ได้สร้างความสําเร็จและความมั่งคั่งใหญ่หลวงด้วยวิธีรู้ใจคนที่มาติดต่อและทายความประสงค์ได้ถูกต้องหรือใกล้ความถูกต้องที่สุดนายมอแกนเองได้ขยายเคล็ดลับของตนไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปนายมอแกนอธิบายว่าเวลาติดต่อกับใครและฟังคําพูดของเขาให้เรานึกทายล่วงหน้าว่าเขาต้องการอะไรและไม่เป็นแต่เพียงทายให้สร้างความเชื่อจูงจิตตัวเองว่า ตัวสามารถรับกระแสจิตของเขาได้และสิ่งที่ตนนึกคิดว่าเขาจะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้นั้นไม่ใช่ความคิดของตนเองแต่เป็นกระแสจิตของผู้นั้นที่เข้ามาสู่เครื่องรับของเราอันที่จริงก็อาจจะเป็นแต่เพียงการถ่ายเดาอาจเป็นแต่เพียงการคาดหมายของตนเองเท่านั้นแต่นี่เป็นเทคนิคการจุงจิตตัวเองเพื่อสร้างสมรรถภาพในทางเป็นเครื่องรับ พยายามจุงจิตตัวเองไปอย่างนี้สักพักหนึ่งนานเข้าจะเกิดความเชื่อถือว่าจิตของตัวสามารถเป็นเครื่องรับกระแสจิตของคนอื่นได้เราทราบกันอยู่แล้วว่าในเรื่องวิชาลึกลับมหัศจรรย์นั้นความเชื่อมีส่วนสําคัญเหลือเกินถ้าเกิดความเชื่อขึ้นในทางใดอาจจะเกิดผลที่แท้จริงขึ้นในทางนั้นวิธีการอย่างของนายมอแกนนี้อธิบายอย่างง่ายๆว่าเมื่อใครพูดอะไรมาครึ่งประโยคให้พยายามทายว่า เขาจะพูดอะไรต่อไปสมมุติว่าได้พบคนคนหนึ่งซึ่งบ่นให้เราฟังว่าไม่ค่อยสบายก็ให้คิดต่อไปทันทีว่าเขาจะต้องพูดต่อไปว่าจะต้องไปหาหมอถ้าพบคนที่จะบอกว่ารถของเขาเก่าและล้าสมัยก็ให้คิดว่าเขาจะพูดต่อไปว่าจะซื้อรถใหม่เทคนิคในเรื่องนี้มีอยู่สองประการประการหนึ่งคืออย่านึกว่าเราทายเองให้นึกว่าเรามีกระแสจิตของคนนั้นได้และอีกประการหนึ่ง ให้เป็นแต่คิดไว้อย่าพูดออกมานักพูดนักปาทกถานักกล่าวสุนทรพจน์ถ้าในขณะที่พูดหรือกล่าวหรือแสดงปาทกถาถ้านึกสกิดใจขึ้นมาว่าจําเป็นจะต้องกล่าวย้ำหรือขยายความในตอนใดตอนหนึ่งให้กระจ่างออก <c oughs> ก็อย่านึกว่าเป็นความรอบคอบของตัวเองอย่านึกว่าเป็นความฉลาดของตัวเองแต่ให้นึกไปในทางที่ว่าได้รับกระแสจิตของผู้ฟัง ผู้ฟังมีความสงสัยหรือเข้าใจไม่แจ่มแจ้งในข้อนั้นๆทั้งนี้เป็นการ จ, จุงจิตตัวเองซึ่งเรียกว่าออตโตสเกชชันนักจิตวิทยาสมัยใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากการฝึกหัดในเรื่องนี้ชั้นต้นเราก็จะรู้สึกว่าเป็นการหลอกตัวเองไม่มีความจริงอะไรแต่ถ้าทำไปนานๆก็จะเห็นผลแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นและวิธีการซึ่งเรานึกว่าหลอกตัวเองมาในชั้นต้นนั้นกลายเป็นวิธีการที่ดีอย่างไม่นึกหวัง เรื่องจุงจิตหรือสเกช็ชชันนี้จะได้กล่าวโดยพิสดารในบทหนึ่งต่างหากในที่นี้กล่าวแต่เพียงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ดวงจิตของเรามีสมรรถภาพเป็นเครื่องรับได้ในเรื่องการส่งก็ใช้วิธีเดียวกันคือทำจิตให้ว่างเปล่าไว้ก่อนแล้วต้องการจะส่งหรือกระจายความคิดอันไดออกไปก็คิดขึ้นในขณะที่ดวงจิตว่างเปล่านั้นจึงจะเป็นกาลังส่งที่ใช้ได้ ความพยายามที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้ก็คือคนที่อยู่ห่างไกลกันพยายามส่งกระแสจิตถึงกันและพยายามรับกันด้วยความเชื่อมั่นว่าเมื่อกระแสวิทยุสามารถจะส่งและรับกันได้กระแสดวงจิตของคนก็สามารถจะส่งหรือรับกันได้เหมือนกันถ้าหากคนสองคนทำการฝึกฝนด้วยกันให้มีสมรรถภาพในทางรับส่งแม้จะอยู่ห่างไกลกันสักเพียงไรก็สามารถที่จะรับส่งกระแสจิตถึงกันได้ แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องหลังนี้สัตราจาร์เซฟเท็กบอรี่ไม่ได้กล่าวบรรยายอย่างพิสดารรวมความตามข้อคิดหรือหลักวิชาของสัตระจาร์ผู้นี้ก็ดูเหมือนจะประมวลลงได้ในหัวข้อสองประการประการหนึ่งคือทำดวงจิตให้ว่างเปล่าซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าจะได้ผลเพียงใดหรือไม่ก็ตามทีแต่การฝึกหัดในเรื่องนี้เป็นการฝึกหัดที่มีประโยชน์ แม้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าและวิธีการทางวิปัสสนาธุระก็ถือว่าการที่ดวงจิตว่างเปล่านั้นเป็นของดีที่สุดถึงกับเรียกว่าวิมุตติวิโมกและนับเป็นฌานชั้นสูงแต่ในทางพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงการรักษาสภาพจิตที่ว่างเปล่าอยู่ได้เป็นเวลานานอาจเป็นเวลาตั้งครึ่งวันซึ่งเป็นการพ้นวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาในปัจจุบันนี้จะทำได้แต่ในหลักของสัตว์ตราจานผู้นี้ ต้องการเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นแม้ทำได้เพียงหนึ่งนาทีก็มีประโยชน์มากนี้คือเรื่องการสร่งกระแสจิตซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าในตัวของมันเองยังไม่มีอะไรจะกล่าวได้มากนักเราไม่สามารถจะหาสูตรสำเร็จเหมือน2อคูนเป็นสเราไม่สามารถจะแสดงให้เห็นได้ทันทีเหมือนเอาสีแดงกับน้ำเงินปนกันเป็นสีม่วงเราไม่สามารถจะพิสูจน์แม้จากสิ่งแวดล้อมให้แน่ใจเหมือนอย่างพิสูจน์ว่าโลกนี้กลม ความรู้เกี่ยวกับเรื่องส่งหรือรับกระแสจิตที่เราจะหาได้ในเวลานี้จึงยังเป็นความรู้ที่ปกพร่องอยู่มากแต่อย่างไรก็ดีเรื่องการทำดวงจิตให้ว่างเปล่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่เรื่องอื่นๆที่จะกล่าวข้างหน้าต่อไป